ของเราคือเราได้ปลูกศรัท ธ, ธาของเราศรัท ธ, ธาเป็นพืชแล้วก็ความเพียรเป็นฝนสติเป็นผานและประตะนะสติเป็นงอนไถใจเป็นเชือกใจเป็นผานและประตะนี่เราทำเราทำนาด้วยวิธีนี้นะเพราะนั้นท่านทั้งหลายมีพืชมีเมล็ดพืชคือศรัท ธ, ธาอยู่แล้ว ในมือนะแต่เราจะไปหว่านไปปลูกที่เนื้อนาที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องดูแต่จะมาที่มาลงรัศวกัดเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดูนะแต่ขอให้นา ม, มาโดยที่เราจำเป็นต้องจำเป็นต้องใจจำเป็นจำใจต้องเอาน ะ, ะก็ขอให้นา ม, มาตรงนั้น่ะก็มาสร้างที่นั้นแล้วก็ปลูกแล้วก็ถูกแดดมันร้อนเผาตายเพราะรศวกัดเนี่ยแดดมันแรง That, แดดแดงทั้งภายนอกและภายใน That, แดดแดงภายนอกก็เป็นเขตทะเลทราย That, แดดแดงภายในก็เป็นเขตอะไรคาสินโนนะเป็นเขตคาสินโนนั่นอ่ะมันเผาทั้งกายทั้งใจพราะนั้นถึงบอเอามาก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกต้นไม้ข้างในงปลูกต้นไม้ข้างนอกด้วยเนี่ยที่วัดป่าเนี่ยก็เรียกว่าวัดป่าเพราะว่าปลูกต้นไม้เยอะปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายดังนะ้นก็ไม่ทอปลูกเยองนะปัจจุบันก็ปลูกซ้ำปลูกซ้อนปลูกแซมปลูก ในทุกปีเนี่ยก็เรียกวัดป่าพุทธยา น, นธารามแล้วก็เรื่องของความร้อนภายนอกการปลูกต้นไม้ในเขตแรงเนี่ยถ้าเราจะทำจริงๆก็ทำได้ในตะวันออกอิสารสาเอ ล, ลเขาก็ทำได้ <c oughs> ก็หาน้ำทำได้ถ้าเราบำรุงรักษาจริงแต่ว่าการที่มันแห้งแรงภายในเพราะไฟคือ อใบยมุกที่มันเผานี่แหละมันแรงมันร้อนมากๆเพราะฉะนั้นอมากพยายามจะ ป, ปลูกฝังเรื่องของวิปัสนาเท่าไรเท่าไหรก็มาติดอมากก็เลยว่าโอ้ปลูกเท่าไหรก็คงไม่ไหวถึงปลูกได้ก็ไม่โตดังนั้นเมื่อพระอาจารย์ประสันซึ่งเป็นพระธรรมทูตรุ่นเดียวกันก็ได้มาที่นี่มาทําที่นี่อมากึงเรียกว่าธรรมะจักสันเพราะอะไรเมื่อมาปลูกที่นั่นไม่ได้ผลแล้วก็ทําให้ธรรมา ต้องออกไปดูที่ต่า ง, างๆในอเมริกาไปจัดที่หลายๆแห่ง ส, สิบกว่าปีมันไม่ใว่าจะอยู่ที่เวกัสอย่างเดียวนะแต่ว่าใน10บกว่าปีมาเนี่ยมาเขาไปอยู่ประจําตลอดนะมาเขาไปเมืองไทยสักหเดือนมาที่นี่สักหเดือนไปมาเนี่ยช่วยเมืองไทยขึ้งหนึ่งช่วยที่นี่ครึ่งหนึ่งเพราะเราจะไม่ลืมแผ่นดินถิ่นเกิดของเรามันจะช่วยดีทีห่างยังไรก็ต้องช่วยนะแต่ว่ามาเพื่อมาเอาสิ่งที่ดีที่นี่ไปให้ที่นู่น เอาสิ่งที่ดีที่นุ่นมาให้ที่นี่แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยรูปแบบธรรมทูดเป็นทูตแห่งการที่จะเอาแต่สิ่งที่ดีที่ประเสริฐไปเปลี่ยนกันอันนั้นเองเอามาก็ทําอยู่เนี้ยมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งว่าเมื่อพระอาจารย์าหาประสันหรือพระครูปิยะของเราเนี่ยได้ไปศึกษาวิธีนี้แบบที่ อาจจะมาทำพาญาติโยมทำในวิธีแบบเคลื่อนไหวเนี่ยดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาเริ่มด้ว ย, ว, ยวิธีนี้อาจะมากัจะมาเริ่มด้วยวิธีนี้ก็ทําเติมตั้งแต่สวนโมกวัดมหาธาตุพุทธโธทํามาแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราทานอาหารไม่ถูกปากก็เปลี่ยนอาหารมาเรื่อยๆแต่ว่ามาในวิธีแบบดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกแล้วเนี่ย มันเหมือนอาหารถูกปากอาหารยิ่งทานก็อร่อยทานวันไหนก็อร่อยทานมา20 30ปีแล้วเนี่ยก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเดิมก็เลยทานมาตลอดพระอาจารย์ประสานก็คงยจงเหมือนอาตมาท่านก็ลองไปชิมดูบ้างถึงแม้ว่าท่านจะชิมทีหลังท่านไปชิมกันหลงพ่อคําเขียนนะไปชิมแล้วก็สงสัยว่าจะถูกปากไหมอาตมาเหมือนกันนะจะถูกมากเูกนงอยมาไม่รู้ด้วยนะก็มีสายสัมพันธ์ให้อาตมาได้มาที่นี่ ท่านได้ติดตามอาพระอาจารย์สงกรานน์เหมือนกันท่านก็ติดตามพรได้ได้ข่าวว่าได้พบกับในมิตรอย่างหลวงพ่อส น, นั่นอมาก็อยากพบหลวงพ่อส น, น, นั่นเหมือนกันท่านไปอยู่ที่ไหนดรวยยังตามหาไม่เจอนะฮะก็เนี่ยมีสายสัมพันธ์อย่างเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ฝึกกันมาโดยตรงกับหลวงพ่อเทียนแต่ว่าได้พบกับครูบาอาจารย์สายสัมพันธ์นี้ก็ได้ดึงกันมาที่นี่ดังนั้นถือว่าไม่ถือว่าเป็นของใหม่สําหรับที่นี่ พระอาจารย์พดครูท่านก็ได้พาทำอยู่แล้วแต่ที่ราชเวกัก็ยังไม่เข้มข้นขนาดนี้นะเพราะอะไรทุกครั้งเมื่อท่านจะพายมกรล่ากแล้วก็โยมจะพากันกล่าวขึ้นด้วยคาว่าอะไรต้องขึ้นด้วยคาว่าอะไรเสมอรู้สิตัวเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายคานะ รู้เสืออะไรนะอาจารย์ว่าจังไม่ได้รู้สึกตัวแล้วก็รู้ตัวให้หมดแล้วก็หมดตัวนอะไรหมดก็้ระฟังให้ดีเหมือนกันนะราฟังหมดตัวนะรู้รอบตัวรู้จนหมดตัวเนะคือคำหลังนี่สักวัดเสียวเหมือนกันนะหมดกระเป๋าก็แน่เรืองเบาสร้างวัดกันจนหมวเนื้อหมดตัวเหมือนกันคำหลังนี่ฟังให้ดีแล้วกันนะโยมฟังแล้วจะเกาหัวแกอย่างไงกันแน่นี่ย หมดตัวหมดตนหมดอาตาตัตตาเจอตนไม่ใช่หมดตัวแบบที่ว่ากันนะดังนั้นที่ว่าเข้มข้นคืออย่างนี้ท่านจะมีคํานําเรื่องนี้เสมอซึ่งที่วัดอื่นถ้าหากจะไปพูดอย่างนี้เขาเขาคงจะหลิวตาใส่กันเลยกันนะแต่ว่าท่านก็ใช้ที่นี่เป็นเป็นร่ำเป็นสรนวัดราชวิการอมารถนลงเทียนเกือบ20ปียังไม่กล้าใช้เลยนะแต่ท่านกล้าใช้เนี่ยอมารถบอ่อท่านเรียกว่าเรียกเป็นแฟนพันธ์แท้อีกคนหนึ่งเหมือนกันังนั้นญาติโยมทั้งหลาย มีโอกาสได้มาเจริญสติหลายท่านเป็นนักเรียนเก่าที่นีแล้วแต่ว่าอย่างที่ว่านั้นมันยังไม่หายหิวก็ต้องมากินกันอีกนะมันหิวปีหนึ่งทำไมจึงกล่าวว่าใจใ จ, ใ จ, ใ, จใจเราหิวเพราะว่ามันอยากร่างกายหิวเราไม่ได้อยากกินอาหารเอาใช่ก็หิวอาหารแต่เวลาเราจะไปไหนโอ้อยากลุกอยากนั่งอยากนอนอยากพัก อยากพิงอยากเดินอยากไปเรา้า ว, ว่าหิวเดินหิวไปหิวหนั่งหิวนอนเคยพูดอย่างนี้ไหมไม่ได้พูดเราแค่อยากเท่านั้นนั่นน่ะเพราะนั้นเป็นความต้องการของใจเขาเรียกว่าอยากความต้องการของกายเรียกว่าหิวการบำบัดทางกายนั้นเป็นธรรมแต่การบำบัดความอยากทางบำบัดความอยากาการสนองความอยากทางใจ คือไมตอ่ตอบสนองทางกายนั้นด้วยความหายหิวนั้นถูกต้องเป็นธรรมแต่ถ้าหากเราอยากอะไรขึ้นมาตอบสนองมันตามความอยากเป็นธรรมหรือเป็นอาธรรมเป็นถ้าหากว่าตอบสนองความอยากทางกายเนี่ยเช่นเราอยากลุกอยากเดินอยากนั่งก็ดีเราอยากไปอยากมาอยากกินอยากดื่มก็ดีอันนี้เป็นอาธรรมแต่เราก็รู้สึกเดินอันนี้ เป right. Tim, no right. doll, right. ็นธรรมเราหายรู้สึกก่อนแล้วก็เดินแต่อยากเดินเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะอยากเดินมันไปเพราะอยากเดินแสดงว่ามันมีเป้าหมายจะไปแล้วใจมาอยู่ที่เป้าหมายเราก็ลุกไปนเรียกว่าอยากคือถ้าคําว่าอยากเนี่ยใจมันไปก่อนแต่แล้วว่าหิวหรือรู้สึกเนี่ยใจมันมาอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นรู้สึกแล้วก็ไปรู้สึกอยากไปรู้สึกจะก่อนแล้วก็อยาก แต่อยากด้วยความไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะอันนั้นแหละมันจะเป็นเหตุเป็นสมุทัยแต่ว่ารู้สึกแล้วก็อยากมันจะกลายเป็นตัวสติสัมปชัญญะเอออันนี้สำคัญนะรู้สึกอยากลุกขึ้นเดินรู้สึกซะ ก, ก่อนก็ลุกขึ้นเดินแต่ถ้าหากอยากไปใจมันไปแล้วอยากไปไหนอยากไปห้องน้ำอยากไปนอนไปก่อนลนะุกสึบตัวแล้วก็ไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จําเป็นและสำคัญอาตมาจะไม่อ้อมไม่โค้งไปไกลเพราะมีเวลาจํากัดและญาติโยมที่จะหาฟังเรื่องนี้ได้ยากด้วยเราจะไม่ชักแม่น้ำต้องห้ามมาพูดกันดะ ว, ว่าเราเห็นความสําคัญของเรื่องนี้อาตมาตลอดชีวิตอุทิศให้กับเรื่องนี้เรื่องเดียวชาตินี้ทั้งชาติ <c oughs> เอาแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่เอาเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจา้ากลัวท่านจะมาเจอทางนี้อายุเท่าไหร่สาปี ท่านออกแสวงหาตั้งแต่อายุ29ปีท่านก็เสียเวลาตั้ง6ปีท่านถึงเจอนะเจอเรื่องนี้ท่านก็แสวงหาเต็มที่อุตสาหสละบ้านเรือนชาญบ้านช่องอาศาสาัดราชวังคร อ, อบครัวลูกเมียพ่อแม่อาณาจักรให้สละทั้งหมดแต่เราไม่ถึงสละขนาดนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้นะแล้วเราก็โชคดีตรงที่ว่า ทำให้เราไม่ต้องสละขนาดนั้นโดยที่ท่านได้พบแล้วท่านก็มาบอกเราอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าพุทธภาวะคือตัวรู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่แล้วในคนทุกคนถามว่าก่อนหน้านั้นเรามีไหมก่อนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจะมาตรัสรู้เนี่ยเรื่องเหล่านี้มีไหมมีอยู่ก่อนไหมมีอยู่ในใจของมนุษย์ไหมมีแต่ว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเพียงแต่มาเปิดดวงตาของเราเท่า น, นั้นเองไม่ได้มาใส่สิ่งนี้ให้แกเราไม่ได้ไม่ใส่ภาวะรู้คิดรู้ทำรู้ตื่นรู้ตัวรู้ไปรู้มาเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเขาเรียกความรู้แบบหลับตาหรือสัญชาตญาณเราอยากทำอะไรก็ทําไปตามนั้นจะคิดอะไรคิดไปตามนั้นโดยที่เราไม่มีการตรวจสอบทบทวนซสก่อนในสิ่งที่เรารู้ แต่เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ค้นพบสิ่งนี้เราจึงเรียกท่านว่าพุท ธ, ธะเพราะว่าพุท ธ, ธะคือผู้รู้ตัวผู้ตื่นตัวนั่ท่านได้ค้นพบภาวะรู้ตัวตื่นตัวนี่มีอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ว่าภาวะอันนี้เป็นภาวะที่ต้องลืมตาดูไม่ใช่หลับตาดูภาวะที่ความรู้สึกที่หลับตาดูเขาเรียกก็เป็นสัญชตาตญาณ สัตว์ทั้งหลายมีเหมือนกันหมดสัตว์ทั้งหลายกับมนุษย์ทั้งหลายนี่มีความรู้สึกตัวเหมือนกันหมดแต่ว่ามีอยู่เหมือนกันสี่ระดับหนึ่งสัตว์อยากอาหารไหมอยากหิวอาหารไหมก็มีสองสัตว์ต้องการหาที่อยู่ไม้มคนกระดารหาที่อยู่ไหมมีสมเมื่อมีภัยเกิดขึ้นสัตว์มันกลัวมันหนีไหม มีมนุษย์เวลามีภัยก็หนีเหมือนกันสเมื่อสัตว์ต้องการสืบพันธุ์มันก็วิ่งหาคู่หาผู้พัวตัวเมียคนคนก็เหมือนกันเมื่อมีความต้องการสืบพันธุ์ก็หาแบบเดียวกันเพราะนั้นท่านบอกว่าถ้ายกตัวสภาวะธรรมตัวนี้ออกเสียเนะี่ยคนกับสัตว์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นคนกับสัตว์เสมอกันด้วยความรู้สึก4ี่อย่างหนึ่งความรู้สึกต้องการอาหาร สองความรู้สึกต้องการที่อยู่อาศัยสามความต้องการรู้สึกต้องการหนีภัยสี่ต้องการสืบพันธุ์นีสี่อย่างเสมอกันหมดดังนั้นเองเราจะต้องหาอีกตัวหนึ่งที่เราจะสูงกว่ามันหาตัวที่ดีแหละคือตัวที่เหนือสัญชาตญาณอะไรคือเหนือสัญชาตญาณก็คือรู้ เนื้อรู้ตัวด้วยเจตนาที่จะรู้แต่ทุกคนรู้โดยไม่เจตนาเพราะนั้นเองอเรื่องนี้เป็นเรื่องยากแตจจ่จะทำให้เข้าใจง่ายและง่ายขึ้นญายโยมทั้งหลายเนี่ยนั่งนี้ขนาดนี้นั่งมานานรู้สึกตัวไหมรู้สึกว่าอย่างไรหนักหน่วงร่างกายมีใช่ไหมความรู้สึกนี้มีทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าเรา เข้าไปใช้ความรู้สึกเหล่านี้เปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่ว่ามานความรู้สึกที่ว่ามาทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เป็นฝ่ายสัญชาติญาณที่มันมีอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าเราปวดเราเมื่อยเราทำไงเราก็บาบัดการบาบัดมีสองอย่างสมมติเรานั่งแล้วก็ไม่สบายเราก็ขยับใช่ไหม ขยับเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนข้อเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเหลี่ยมเปลี่ยนหลังยืนยืนเดินนั่งลักษณะที่เรายืนเดินนั่งนอนโดยที่ตามความอยากถือว่าเป็นกรรมบังบัตรเป็นสัญชาตญาณหรือเป็นตัวรู้สึกตัวถ้าเจตนาก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะี่นะก่อนที่เราจะลุกในเจตนาที่จะปรับพบเห็นว่าความหนั ก, นกที่เรา รู้สึกวิธีมันหายไปแล้วความเบามันเกิดขึ้นเห็นความเบาเกิดขึ้นเห็นความหนักหายไปลักษณะนี้เรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นปัญญายาณไม่ใช่สัญชตาตญาณแล้วแต่ถ้าหากว่าเราหนักแล้ว ร, รู้สึกขยับแล้วก็ไม่เห็นความเกิดขึ้นของความเบาสบายและไม่เห็นการดับไปของความหนักหน่วงนั้นตรงนั้นเป็นยังเป็นสัญชตาตญาณอยู่เพราะว่าอะไรสุนัขเนี่ยเคยเห็นมันนอนกับพี่ทั้งวันทั้งคืนไหม ใช่ไหมมันก็เบื่อมันก็ลุกหนีได้เหมือนกันมันก็บอมบัดทั้งมันเหมือนกันนะนกมันเกากับที่มันก็ไปก่อที่เดียวมันก็บินไปที่อื่นมันก็เบื่อมเหมือนกันมันก็อ่าเมื่อยเหมือนกันก็บินไปทั้งอื่นชั้นใดก็ดีการที่เราอ่าไม่สบายกายไม่สบายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากไปโน่นอยากไปนี่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณแต่ความรู้สึกเดียวกันนี่เองถ้าเราเข้าไปปรับไปเปลี่ยนไป เข้าดูก่อนที่มันจ ะ, ะหายไปก่อนที่ความไม่สบายหายไปก่อนที่ความสบายมันเกิดขึ้นในขณะที่เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นปัญญายาณ น, นี่เราเริ่มต้นตรงนี้นะความเป็นมนุษย์ของเรานะเริ่มต้นตรงนี้ถามว่าถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ทําอย่างนี้เขาไม่รู้สึกตัวเขาเป็นมนุษย์ไหมไม่ใช่เป็นมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นคนมนุษย์กับคนต่างกันยังไงหลวงพ่อพุทธทาสท่านให้คําจํากัดความก็ดีมาก เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะเพราะใจสูงเหมือนอย่างยูมีดีที่แววขนหากใจต่ำฟังตัวนี้นนะหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียกมนุษยษาเพราะพูดถูกทำถูกคิดถูกทุกเวลา เพลย์ปรีดาทุกคืนวันสุขสันต์จริงอันนี้คือความหมายของมันว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะเรายกใจขึ้นจากอะไรสัญชาติญาณให้สูงกว่าสัญชาติญาณขึ้นมนิดหนึ่งหมายเขาว่าจะทําอะไรก็ให้รู้เนื้อ ร, รู้ตัวซสียก่อนอย่าทําไปได้วยความอยากถ้าเราทําไปได้วยความอยากเราก็เป็นมนุษย์มนุษย์ต่างจากคนอย่างไรคือคนมาจากคําว่าละคนอ่าละคนมาทีละคนละคนเคย ภาษาไทยก็คนนันนะแล้วคนคึบเอามาบ้านเราเขาเรียกว่าโซเลกันนลยนะเอามาคนกันเหมือนเราควรนั้นควรให้มันเข้ากันควรไปควรมาอันนั้นเทีนี่ควรเข้ากันให้มันเข้ากันเพราะฉะนั้นคนนี่ควรหลายหลายอย่างเหมือนโยมจะทํำขนมสักอย่างโยมก็นําน้ําตาลน้ำแป้งน้ำกะทิอะไรต่างๆมามาคนคนคนให้เข้ากันเพื่อมันใช้ได้นะเหมือนกันที่เราอยู่ด้วยกันมันคนด้วยหลายอย่าง คุด้วยของอย่างน้อยของ8อย่างมาคุณด้วยกันของแปอย่างเขาเรียกลกกระทำแปดจำได้ไหมที่สี่อย่างไฟดีนะไฟที่เราต้องการทุกคนมีใครบ้างที่ไม่ต้องการเสียงนี่แต่สี่อย่างนี้มันจะต้องตามมาสุขต้องตามมาด้วยอะไรตามไม่ได้ทุกแล้วก็ลาบคือได้ลาบได้ของมาเนี่ยตามด้วยความเสื่อมไปสิ้นไปหายไปยศได้มาก็เสื่อมยศไปเสรเสริญได้มาก็ นินทาได้เนื้ปนกันแปดอย่างเนี่ยปนกันไปคนมาเขาเรียกว่าคนแต่คนไหนได้สุขมาแล้วไปได้สุขเสื่อมไปก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยนี่เขาเรียกเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่คนละได้ยศมาแล้วถึงยศหายไปได้ยศมาได้ผู้ใหญ่บ้านได้กำนันมาได้ตำรวจมาได้ทหารมาเป็นนางไปบ้าลเป็นหมอไปเขาลิฟต์ขึ้นเขายึดขึ้นตำแหน่งนั้นไปคนนี้ก็ไม่ทุกข์เลยเฉยๆเหือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนนี้ก็ไม่ใช่ เป็นคนแล้วเป็นอะไรเป็นมนุษย์อ่าแล้วเวลาเขาเสนอเสื่อมมาก็อ่าโอเคอยิ้มได้แต่เวลาเขานินทามาก็เฉยเฉยยิ้มได้เหมือนกันอ่าตรงนี้เรียกว่าไม่ใช่คนแล้วเป็นมนุษย์แล้วแต่ส่วนใหญ่เวลาเขานินทามาเขาเสนอเสื่อมมาหน้าบานใช่ไหมแต่เวลาเขานินทามาเป็นไงหน้าเบี้ยว <c oughs> มันเบี้ยวแล้วมันไม่บานเหมือนเดิมแล้วน ะ, ะหน้า น่ารื่นเวลาเขาสนอเสญว่านน่ารื่นแต่เวลาเขานินทามาเป็นไงน่ารวยนะนะน่าน่ า, น า, นาไม่ไม่รื่นเหมือนเดิมแล้วน่ารวยร่วโรวยเลย น, น, นี่เขาเรียกว่ามนุษย์คือหมายความว่ามีสลับกันอยู่ยนี้มีลาบเสียมลาบมียศเสียมดบมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีม น, นินทาเสนอเสริญนี่คุณกันแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีส่วนตรงกันข้ามมีสุขมีเสรอเสริญมีลาบมียศแล้ว ก็ไม่หลงในขณะเดียวเวลามันเสื่อมไปก็ไม่ทุกข์ด้วยนี่ขเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ละจิตใจก็จะ ส, สว่างจิตใจก็สะอาดแต่พวกเราทั้งหลายในที่นี้ใครบ้างที่เป็นมนุษย์ยกมือขึ้นก็ไม่กลายกแต่ถ า, ถามว่าใครเป็นคนก็ไม่กล้ายกมือเหมือนกะันนต้องถามว่าเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซน็นเป็นคนกี่เปอร์เซ็นนี่อาจจะมีมีส่วนอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้น อันนี้คือเป็นเครื่องตัดสินนะแ น, <c oughs> นะใครมีครบคนเรียกมนุษย์ใช่ไหมเพราะถ้าหากว่าเราไม่ไม่หลงอย่างนี้ดังนั้นถ้าเขามาทักว่าเราเป็นคนนี่ก็อย่าไปดีใจเท่าไหร่แต่เราเราเป็นมนุษย์นี่เออก็รู้สึกว่าเออเราก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพอยใจสูงนั่นเองนะคือมันสูงกว่าความเสื่อมลาบสูงกว่าความเสื่อมยศสูงกว่าการดินทามาที่นี่แล้ว มาพบนาบุญนะเนื้อนาบุญอันดีอมาก็เนื้อนาบุญทั้งดีทั้งภายนอกภายในเนาะป่าก็ห <c oughs> น้างานกระลมรื่นนะลมรื่นแล้วก็นึกถึงสมัยแรกที่มาเปิดอารมณนะ์เราอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ลมรื่นหน้านั่นจะเป็นเดือนเดือนมีนาเมษาพฤษภานะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าปีนี้เดือนเมษาพฤษภาจะมีถ้ามีก็ต้องบอกใจเนิ่นๆจะได้แวะมาถ้าไม่มีอะไรมาก็ข้ามไป แต่วิกีท่านวิทยาพูดผิดไปว่าที่ข้ามไปฝรั่งเศสไม่ได้ข้ามตอนนี้ได้ข้ามเทียวเดือนเมย์ฝรั่งเศสตอนนี้ไปไม่ได้หนาวกว่าที่นี่อนะีก <c oughs> จัดไม่ได้ต้องไปจัดนั้งเดือนซัมเมอร์เดือนเมย์เดือนจูนมักจะไปในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะถามท่านว่าในถ้ามีในช่วงเดือนเมย์ก็ต้องมีช่วงต้นๆหนึ่งสนะพราะในช่วง 10-20 ึงยีก็เป็นของยุทายี่สิบถึามสิบเป็นของเชียกาโก้ที่นี้เดือนจูนทั้งเดือนก็จะเป็นของทางยุโร นนพุทธะมิถุนานั้นอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายมีโอกาสได้นำพืชคือศรัทธาที่มีอยู่แล้วเอามาพัฒนาถ้าหากว่าเรามีศรัทธาแต่ไม่ไม่เอามาลงปลูกลงฝังเนี่ยเหมือนอย่าโยมมีข้าวเปลือกนะมีถัว่วมีอะไรในถุงในไยในซองแล้วเนี่ยไม่เอาลงมาปลูกเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นลาต่อไปไห ก็ไม่ละไม่งอกเท่กินแล้วก็หมดเลยศรัทธาเราเหมือนกันมันหมดเป็นเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเข้ามามีศรัทธาระดับหนึ่งแล้วก็ต้องพัฒนาศรัทธาให้เกิดเป็นเป็นปัญญาถ้าหากว่าไม่พัฒนาศรัทธาให้เกิดเป็นปัญญาเหมือนกรโยมมีข้าวเปลือกแล้วก็สีกินให้หมดแล้วในปีต่อไปจะมีข้าวเปลือกปลูกอีกไหมก็ไม่มีแล้วต้องได้ขอทานแล้วได้หาซื้อแล้วทีนี้เหมือนกัน เราเข้าวัดมาเนี่ยเราต้องการเอาศรัท ธ, ธาของเรามาหว่านแล้วตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญเอามาหว่านแล้วพระอาจารย์พระคระูท่านก็ค่ อ, คอยไถย่ยคอยพลวนอยู่เรื่อยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ถยตังนะถกิเลสโยมออก <c oughs> เดจาวาถ่ายตังโยนะถ่ายกิเลสโยมออกโดยการบอกออทําให้รู้สิบตัวให้ก็ทำก็วิธีการของท่านนะโดยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่เราทุกคนรักและศรัทธาที่จะทําตามได้ซึ่งไม่ใช่ของง่ายนะการที่จะท่านจะได้พระที่มีอุบายทำเป็นวิธีการที่หลากหลายอย่างนี้ดังนั้นตรงนี้จึงเป็นที่เราปลูกขึ้นมาเนี่มันโตขนาดนี้แล้วนะต้นไม้ที่เราปลูกมาเนี่ยโตมาเป็นตึกถึงสามชั้นแล้วเนี่ยไอการที่จะสร้างตึกระดับนี้ได้นะเมริกาไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่มีบารมีจริงทําไม่ได้ที่วัดอรมาทิราชเวกัต พ๋อโปรโมตมาตั้งเกือบสปีแล้วปั น, นี้ยังไม่ไมนอนุ ญ, ญาตให้ทําเลยนะไม่รู้ว่าปีใหม่นี้ว่าจะให้ลงมือทํามันดูจะได้ทําหรือเปล่านะแต่ที่นี่เริ่มต้นถ้าว่าไปทีหลังด้วยซ้าไปก็ยังขึ้นมาก่อนเพราะที่นี้เป็นเนื้อนาบุญอันดีปลูกแล้วโตวไวนะแต่ที่ราตเวกัดยังไงเพราะมันเป็นทะเลทรายปลูกแล้วโตวยากหรือทําท่าจะตายนะทำท่าจะตายอยู่เรื่อยนะแต่ที่นี้เนื้อนาบุญดีปลูกเท่าไหร่ก็ ขึ้นนะผูกขึ้นมาถึงสมชั้นแล้วเนี่ยท่านบอกว่าไม่เอาเราเข็ดแล้วไม่อยากจะทําต่อเออเดี๋ยวหายเข็ดจนได้นะฮะอีกสักสองสาปีเอาสอปีหาเรื่องทําใหม่อยู่ดีนะเข็ดได้ไม่นานาเรื่องนี้เนะพราะมะไเป็นวิบากกรรมนะทำมาแล้วก็ต้องมีวิบากน ะ, ะไม่หมดวิบากง่า ย, ายๆเล่นๆละไรนี่นะวิบากกรรมวิบากบุญนะมาด้วยกันดังนั้นเองเราทั้งหลายก็เมื่อได้เนื้อนาบุญอันดีแล้วก็ช่วยกันบํารุง ช่วยกันดูแลให้มันเติบโตต่อไปนะแม้ว่าเราจะทราบไปอย่างดีว่าในขณะนี้เศรษฐกิจในอเมริกาเป็นอย่างไรและเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นอย่างไรมันกําลังดาวดาวดาวเมื่อเราดาวแล้วทีนี้เราก็ต้องระมัดระวังละในการใช้จ่ายอะไรต่างๆแต่ด้วยนะแต่ด้วยบุญบารมี <c oughs> มันจะมีสิ่งช่วยสิ่งช่วยอย่างไรจะเล่าให้ฟัง เพราะเหตุใดวัดนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดหมหาชนกรู้ไหมรู้ที่ไปที่มาไหมคิดว่าอาจารย์พระครูเล่าอะไรเล่าให้ฟังความเป็นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าทําไมจึงตั้งชื่อชื่อว่าวัดหมหาชนกถ้าอาจารย์เล่ากันได้ยังเอาไม่ใช่เล่าไปแล้วเนะี่ยถ้าไม่ไม่ไม่พูดถึงฮิสตอรี่ให้ฟังแล้วก็จะคงจะันจะตั้งไม่ <c oughs> ไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยน ะ, ะวัดหมหาชนก ความจริงเรื่องนี้ยาวนะแต่จะเล่าโย่อๆอย่างนี้เพราะมีเวลาจำกัดว่ามหาชานกเป็นใครนะอริทาชานกกับมหาชานกนะเป็นลูกราชายใช่ไหมนะทีนี้เมื่อพ่อตายแล้วนี่ก็เรียกว่าคืออยากจะให้ท่านมหาชานกเียขึ้นคลองลาดแต่ว่าพี่ชายไม่ยอมพี่ชายก็เลยยึดอำนาจ ยึดอำนาจได้แล้วก็ไล่น้องชายที่สมควรพิจารณเพราะพี่ชายเกเรหน่อยพ่อไม่อยากจะให้สืบราชสันติวงศ์ก็ย่าน้องชายขึ้นเป็นสั่งไว้แค่นั้นแต่พอตายแล้วทีในได้พี่แอบไปซ่องสูงกําลังมายึดอํานาจน้องชายนะ <c oughs> ทาัทางที่ตั้งเป็นร า, า, กราชกุมารแล้วนี่มายึดอํานาจในที่สุดท่านามหาชนกซึ่งเป็นราชกุมารก็ต้องอหนีออกไป จากรัเนจะว่าไ ป, ไปทางเรือนะไปถึงการทะเลไปไงเพราะท่านหมหาชนกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยากจะให้สือบอพระาชสันติวงศ์เนี่ยก็ปรากฏว่าไปถึงการทะเลก็เกิดพายุใหญ่เกิดอาจจะเกิดสึนามิ เ, าเกิดพายุใหญ่นะเกิดทอร์นาโดการทะเลเงี้ยก็ปรากฏว่าอำมาตมูลทีวุคคณมูทีทหารทั้งหลายที่ไปด้วยก็เรียกว่าจมนายจมน้ํากันตายหมดอยู่กันไม่กี่วันก็ตายหมด แต่ท่านด้วยความเพียรด้วยความเรียดอย่างสูงยิ่งท่านว่ายน้ําได้ถึงเจวันวันที่เจดหรือวันที่8วันที่7จ็ดจะหมดแรงแล้วในวันที่เจ็วันสุดท้ายมาหมดแรงที่จะว่ายต่อไปแล้วที่ว่ายวันวันเขาก็พยายามจิบน้ําทะเลทั้งปากที่อยู่ได้นะวันสุดท้ายกะว่าวันนี้เป็นวันพระจะไม่ยอมเอาจิบน้ำเข้าเข้าปากเพื่อที่จะ วันชุดท้าหมดแรงไม่ไหวยต่อละก็ในขณะไหว้ไปเนี่ยแล้วก็อธิษฐานจิตไปว่าตราบใดที่ยังมีกําลังอย่ฉันจะว่ายจนหมดกําลังนี่แหละในขณะว่ายไปก็ปรากฏว่าเดือดร้อนที่ใครพระอินทร์นะอาสนะเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็กระด้างเป็นไงดําศิลาประหลาดใจเพราะอาสนะพระอินทร์เนี่ยในสวรรค์ น, นี่อ่อนนุ่มมากนะแต่วันไหนที่มีเหตุมีเนแล้ว อาสนะจะแข็งขึ้นมาทันทีนะอาสนะจะแข็งก็จะมีเรื่องเดือดร้อนในมนุษย์แล้วท่านก็ส่องลงมาดูปรากฏว่าอ้อมีคนมีบุญเนี่ยกำลังว่ายน้ําจอมๆจะตายอยู่พผู้นี้เราคงไม่ไปเราคงเดือดร้อนแนในที่สุดก็เลยให้มณีเมฆขาเทพพิยดาผู้รักษาทะเลให้ไปดูซิว่าท่านเดือดร้อนยังไงก็ไปดูทามณีเมฆขาก็ เรียกว่าอยู่กลางอากาศก็โอ้กระทักถามว่าท่านมหาชนกท่านจะไปไหนเนี่ยฝั่งทะเลไม่มีขอบมีริมดูที่ไหนมองไม่เห็นขอบเห็นริมท่านจะไหว้ไปถึงไหนไหว้ก็ตายไม่ไหว้ก็ตายอ่าไปไหว้ไปทําไมท่านบอกว่าอย่างไงรู้ไหมบอกว่าที่เราไหว้เนี่ยเราไม่ได้ไหว้เพื่อที่จะเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ว่าเราไหว้เพราะเรามีกํำลัง วายะเมธะปุริโสเมื่อเป็นคนแล้วเนี่ยต้องไม่สิ้นความพยายามต้องพยายามเรื่อยไปต้องพยายามถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นนาะตราบใดที่มันเพียรอยู่เนี่ยต้องเพียรถึงถึงจนกระทั่งหมดลมหายใจเนี่ยนะพระพเจ้าต้องการที่จะใช้กําลังเนี่ยไม่ไม่ท้อไม่ท้อไม่มีความท้อมีกําลังอยู่ก็จะทําไปถึงที่สุดพระพเจ้าก็ เห็นว่าร่างกายที่ได้มาเนี่ยเป็นของบรรพบุรุษเป็นต้นทุนที่ได้มาเพราะฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าจะได้ปล่อยให้ร่างกายนี้เจ็บป่วยและตายไปโดยที่ไม่ใช้กําลังให้ถึงที่สุดถือว่าข้าพเจ้าได้ทริยศต่อบรรพบุรุษข้าพเจ้าจะทำหน้าที่ใช้กําลังของบรรพุุธที่มีอยู่ในตัวข้าพเจ้าให้หมดต่อแต่วันนี้มันยังไม่หมดข้าพเจ้าจึงไหวได้ข้าพเจ้าไม่ต้องการว่าจะไปถึงแต่ใช้ทุนอันเนี้ยร่างกายนี้เป็นทุน โอ้โหเม่าลาฟังนี้เป็นไงซึ้งมากอ่ะขณะพูดนิจจบนะโอ้พูดแล้วขนลุกท่านก็สรุปไปเลยขณะสรุปไปนั่นเองก็คือเม่าลาก็